อีกเรื่องหนึ่งนะในคาถาที่หต่อไปว่าเรื่องราวมีอยู่ว่าอามาตทั้งหลายได้เข้าไปเฝ้าในสมัยเป็นที่บำรุงใหญ่ของพระเจ้ากรุงพาณาิชย์อามาตเหล่านั้นอามาตคนหนึ่งทูลการไปในที่สุดข้างหนึ่งว่าข้าแต่ส ม, มุติเทพสิ่งที่พึงฟังมีอยู่ดังนี้แล้วก็ลุกไปอามาตอีกคนหนึ่งก็ ทูลขอกับพระองค์ผู้ประทับนั่งอยู่ในที่บำรุงใหญ่อีกคนหนึ่งก็ทูลขอช้างกับพระองค์ที่ประทับนั่งบนขอช้างคือคนแรกก็ขอไปขออะไรขอที่อยู่ใช่ไหคนที่สองขอช้างอีกคนหนึ่งก็ทูลขอม้ากับพระองค์ผู้ประทับนั่งบนหลังม้าหมายว่าพระองค์ประทับนั่งก็คนมีคนมาขอที่นั่งประทับบนช้างคนก็มาขอช้างประทับบนม้าก็คนมาขอม้าอีกคนหนึ่งก็มา ทูลขอรถทองกับพระองค์ผู้ประทับนั่งในรถทองอีกคนหนึ่งก็มาทูลขอว อ, วอเนี่ยนะคือที่หามเนี่ยกะพระองค์ผู้ประทับนั่งในวอแล้วก็ไปสู่เทยานพระราชาเสด็จลงจากวอก็ประทานให้อีกคนหนึ่งก็ทูลขอกับพระองค์ผู้กําลังเสด็จไปสู่จาริกชนบทพระราชาฟังคําของคนแม้นั้นก็ลงจากคอช้างเสด็จไปในสถานที่แห่งหนึ่งขออะไรให้ไปหมดเลยนะ หลังจากนั้นมาพระองค์ก็ทรงเอือมระอา ด, ด้วยอัามาศเหล่านั้นว่าอุย้ยทําไมมันชูลูกหลานชูโชคมันเต็มขนาดนี้เหมือนกันไปที่ไหนก็เจอแต่ลูกหลานชูโชคมันน่าเบื่อเหลือเกินอย่างนกันก็เลยผนวดเลยอัามาศทั้งหลายก็เจริญด้วยอิสริยยศใหญ่อะไรกนี้อัมมาศเหล่านั้นอาัาอมาศคนหนึ่งก็ไปทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชขอพระองค์จงพระราชาทานชนบทชื่อโน้นให้แก่ข้ารองขนาดบวชไปแล้วนะยังมีคนมาขออุย้ยแขวนนั้นอะขอเธออหมือนกัน พระราชาก็ตรัสว่าคนชื่อนี้ปกครองชนบทนั้นอยู่เขาก็ไม่เอื้อเฟื้อของพระดำรัสของพระราชาก็ทูลว่าข้าพระองค์จะไปจะยึดเอาชนบทนั้นครอบครองเสร็จแล้วอมสาธคนนั้นก็ไปในชนบทนั้นทำการทะเลาะแม้ทั้งสองก็มาสู่พระราชสำนักอีกทูลบอกโทษของกันและกันก็คือให้ขอโทษกันซะพระราชาก็เลยคิดว่าเราไม่อาจจะให้คนทั้งสองนี้ยินยอมได้ พระองค์นี่เล็งเห็นความโลภของอ ม, มาตเหล่านั้นก็เลยเห็นแจ้งเจริญวิปัสนาบรรลุเลยเห็นความโลภของเห็นคนโลภย่างบรรลุเลยนะโอ้ยความโลภนี่มันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอจริงๆเห็นโทษของความโลภอ่ะนะตันหาเสมอด้วยมหาสมทุทรตันหาเสมอด้วยทะเลมันหน้าเบือ่อหน้าเกลียดอะไรขนาดนี้ก็เลยเจริญวิปัสนาบรรลุเลยก็เป่งอุทานว่า ในการปรึกษาในที่อยู่หรือที่ยืนในการไตในการเที่ยวย่อมมีใน่ามกลางแห่งสหายบกคลเพ่งความประพฤตตามความพอใจที่พวกบุรุษชั่วช้าไม่เพ่งเลงแล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดโนราชนั้นอธิบายว่าการปรึกษาโดยประการนั้ น, น, นโดยในนิยะนี้ว่าท่านจงฟังสิ่งนี้ของข้าพเจ้าอามาดนี่มาถึงเลยขอให้พระองค์ฟังเรื่องนี้ก่อนพระเจ้าข่าวเหมือนกัน แต่ล้วอีกคนนี่ก็มาขอขอจงให้สิ่งนี้แก่ข้าพเจ้าเป็นต้นเดี๋ยวอีกคนนึงก็มาขออีกคนหนึ่งก็ขอโน่นขอนี่มีแต่นักขอลูกหลานชูชกทั้งนั้นเลยนะก็เดี๋ยวมีคนมาประท้วงขอโน่นขอนี้ขอนั่นขอโน่นประท้วงขออยู่นั่นแหละแม่จะจะสนุกได้ยังไงนะชีวิตเนาะแล้วก็บางทีก็นักขอทั้งหลายอยู่ที่ไหนก็ตามขอไม่ว่าจะขอในที่พักกลางวันในที่ยืน ในการบำรุงใหญ่ในการไปสู่อุทยานในการเที่ยวไปในชนบทย่อมมีแก่ บ, บุคคลผู้ดำรงอยู่แล้วในท่ามกลางสหายก็คือถ้ายังอยู่ท่ามกลางสมัครพรรคพวกนะคนที่มีอำนาจหน่อยเนี่ยนะไปที่ไหนก็ถูกตามรุมขอห่างนันตามของานทุกงานก็มีคนที่มาเสนอขอทุกหนทุกแห่งเนี่ยนะบอกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่จริงๆเนี่ยนะก็ชีวิตเหมือนกับว่า เหมือนกับเป็นเป็นเนือ้ออะเป็นอะไรที่ที่ลงไปในน้ําบอ่อน้ําที่เปล่งเยอะๆอะมันตามสูบตามดูตามขอตามอ้อนตามบอลตามขอตามร้องตามโอ้ยสารพัดอยู่นั่นหมดะนะเราก็เลยเบื่อหน่ายในการปรึกษานั้นที่จริงไอ้ปรึกษาแล้วว่ามาขอนันะ่นแหละคือไอ้คนที่ขอก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ใช่ว่ามันแห้งแรงมันกันดารมันไม่มีแต่ว่ามันโลภมันไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักพอเนี่ยนะมันในท่ามกลางสหายแบบนี้เนี่ยมันน่าเบื่อหน่ายเหลือเกิน เมื่อเล็งเห็นการบรรประชาการบวชที่มีอั น, นิสงส์มากมีสุขโดยส่วนเดียวอันอริยชนมีพระพุทธเจ้าพระปเจกพระพุทธเจ้า พ, พุทธส า, าวกทั้งหลายเสพแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เป็นบรรประชาที่ชนทั้งปวงที่ถูกความโลภครอบงาคนโลภไม่ต้องการนะบวชเนี่ยการบวชที่ไม่มีอะไรคนโลภไม่ต้องการคนโลภไม่ปรารถนาและเพ่งความประพฤตตามความพอใจ การบวชนี้ไม่ตกอยู่ในอำนาจของบุคคลอื่นแล้วก็การบวชนี้สามารถทำอะไรตามใจใช่ไหมการบวชทําว่าตามใจก็คือเจริญสามาถาวริปัญสนาไม่ต้องมาคอยยุ่งกับใครเพราะมีใครตามขออยู่แล้วละ่ะไม่ตกอยู่ในอำนาจของคนอื่นบุคคลเป็นธรรมที่บุรุษชั่วไม่เพ่งเล็งอริยธรรมทั้งหลายสติปทานสัมมรปรานโพธิปัจจะธรรมเนี่ยนะคนชั่วเขาไม่เพ่งเล็งรอ ปรารบวิปัสสนาก็เลยบรรลุพระปัจเจกพรพุทธเจ้าคือคือในหลักการทางธรรมะเนี่ยมันจะมีอยู่3มอย่าง น, นะ ถ, ถ้าเราพูดถึงในทางพระปัจเจ ก, กพุทธเจ้าหนึ่งท่านน้อมไปเพื่อกายยวิเวกท่านไม่สันโดษอยู่แค่กายยวิเวกเห็นความเปลื่อนกลนอกุศลวิตกกับคนอยู่ในสมาคมพวกมันพอๆกันก็เลยเห็นโทษของจิตที่ไม่วิเวกน้อมไปเพื่อจิตวิเวกแล้วก็เห็นโทษของสังคตะธรรมอีกครั้งหนึ่ง ว่าสังคตะธรรมนี้มันเกลื่อนกลลไปด้วยสังขารธรรมก็เลยปฏิบัติเพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดก็ได้ว่ากายาวิเวกจิตตวิเวกน้อมไปเพื่ออุปทิวิเวกในที่สุดก็ทำที่สุดแห่งวัตทุกบรรลุเป็นพระปัจเจกบรรลุปัจเจกกะโพธิยามโดยลําดับเนี่ยนะเมืนะ่อไหร่นอเมื่อไหร่เมื่อไหร่เอาได้อ่านได้ฟังก็เอาบุญลนะ บอกว่าในท่ามกลางสหายจําต้องมีการปรึกษาทั้งในที่อยู่ที่เดินที่เที่ยวบุคคลเห็นการบรรประชาอันให้ถึงความเป็นเสรีที่พวกคนชั่วไม่ปรารถนาเพิงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอแรกอธิบายว่าในท่ามกลางสหายท่ามกลางสมัครพักพวกไม่ว่าจะชี้ยืนที่เดินที่นั่งที่นอนที่เที่ยวไปเนี่ยนะมันจะต้องมีการปรึกษาประโยชน์ตนมั่งประโยชน์ผู้อื่นมั่งประโยชน์ทั้งสองมั่งประโยชน์ปัจจุบันมั่งประโยชน์ภายภาคหน้า ว่มวัวจะคุยเรื่องประโยชน์เนี่ยนะคุยกันเพื่อผลประโยชน์กันทั้งนั้นว่างั้นแต่ถ้าอยู่ท่ามกลางสายมันต้องคุยประโยชน์แต่ก็แล้วแต่ว่าถ้าแบบประชาชนพวกที่ทํามาหากินทั่วไปก็คุยกันถึงประโยชน์ที่ควรจะได้ในโลกนี้นักสแสวงบุญทั้งหลายก็น้อมไปเพื่อประโยชน์ในโลกหน้าผู้ที่เจริญสมถาวิปัสสนาปฏิบัติตามทําคําสอนก็เพื่อประโยชน์อย่างยิ่งเพราะฉะนั้นถ้ามีการอยู่ร่วมกันจะต้องมีการ ปรึกษาประโยชน์เนี่ยนะคือคนที่จะบรรลุเนี่ยนะมันไม่มีเวลามาคอยปรึกษากันแล้วนะกนแต่ถ้ากลุ่มธรรมดาโดยทั่วๆไปเนี่ยนะในท่ามกลางสหายที่อยู่ด้วยกันสบายนั่งด้วยกันสบายอยู่ด้วยกันสบายเนี่ยนะสิ่งบุคคลเหล่านี้จะต้องมีการปรึกษาประโยชน์ประโยชน์ที่ควรได้ในโลกนี้ประโยชน์ที่เป็นไปในโลกหน้าแล้วก็ทำอย่างไรจะเข้าถึงประโยชน์ที่สูงสุดคือพระนิพพานนันะ บุคคลเมื่อเห็นบนรรปชาการบวชอันให้ถึงความเป็นเสรีที่พวกคนชั่วไม่ปรารถนาะคือการคลองผ้าย้อมน้ำฝาดเป็นบริขารอันคนตะพานคือเดรธีผู้เป็นอสศัตรบุุษไม่ปรารถนาะสิ่งนี้คือการคลองผ้าย้อมน้ำฝาดเป็นบริขารที่บันดิตคือพระพุทธเจ้าพระปเจกพพุทธเจ้าพระพุทธสาวกผู้เป็นสัตบุตปรารถนาะแล้ว บรรพนชั่วไม่ต้องการอย่างนี้เสรีมีสองอย่างนะหนึ่งธรรมะเสรีสองบุคคลเสรีธรรมะเส ร, ร, ร, ะรีคือโพธิปัจจะธรรม37บเนี่ยนะบุคคลเสรีก็คือบุคคลที่มีโพธิปัจจะธรรมบุคคลเมื่อเห็นบนรรปะชาอันให้ถึงความเป็นเสรีทั้งบุคธรรมะเสรีและบุคคลเสรีอธิบายว่า เมื่อเห็นเมื่อตรวจเมื่อเพ่งดูเมื่อพิจารณาดูถึงบรรพชาอันให้ถึงความเป็นเสรีเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าเห็นบนรรพชาอันให้ถึงความเป็นเสรีทั้งธรรมะเสรีและบุคคลเสรีที่คนชั่วไม่ปรารถนาพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกนะเที่ยวไปด้วยมักแปดนะไม่ใช่ไปคนเดียวมีพักมีพวกอะไรเลยนะมีทั้งั้ กลายเป็นกลายเอาไปเอามากลายเป็นคนอนาถาเลยคนนี้คือเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยนะธรรมะเสรีในที่นี้บุคคลเสรีในที่นี้ไม่ใช่คนกําพระอนาถาไร้ญาติขาดมิตรไปแบบแหมเลื่อนลอยเนี่ยนะบอกโอ้ยมีญาติไปไหนก็มีแต่ญาติล้อมหน้าล้อมหลังไปเป็นคนกําพระดีกว่าไม่ต้องมีหน้ามีญาติเมข้างหน้าไปข้างหลังไปคนเดียวก็ได้อยากทําอะไรก็ทําอยากนอนข้างถนนก็สบายสบายอยังไงนนะ นอนที่ไหนก็ไม่ต้องกลุ้งถ้าอย่างนั้นก็เกินไปนะถ้าอย่างนั้นก็ตกต่ำมากแล้วเนี่ยนะแต่ในที่นี้หมายว่าธรรมะเสรีกับผู้ที่มีธรรมะเสรีเรียกว่าบุคคลเสรีเนี่ยนะนะแต่ถ้าอย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้คืคนอนาถาอะไรที่พึ่งมาน